เชิดเท้าพยุงกายขึ้นยืนอย่างเมื่อยขบปวดล้าไปหมดทั้งสองขาเพราะการเดินลงที่ลาดต่ำมาตลอดทั้งวันเดินอ้อมไปทางหลังก้อนหินที่พักพิงกันมาอยู่สองก้อนลักษณะประหลาดเหนือบริเวณที่ขยินนั่งอยู่ตั้งใจจะไปเบาพอเขาเดินรับสายตาพักพวกบังเหลี่ยมหินเข้าไปเท่านั้นยังไม่ทันจะรู้ซิบกลางเกงก็ต้องชะงักกึกแทบผงะหลัง งูเหาตัวหนึ่งเกร็ดดำเป็นมันละเลื่อมลำตัวขนาดข้อมือเด็กยาวประมาณหนึ่งวาเลือยปราดออกจากโพรงหินก้อนนั้นแล้วตะวัดลำตัวชูคอแผ่แม่เบี้ยขวางหน้าเข้าไว้ระยะห่างออกไปแค่หนึ่งวาเท่านั้นเองด้วยสัญชาตญาณและความตกใจอดีตท่านทูตทหารบกผู้ไม่ได้มีอะไรติดตัวอยู่ในขณะนี้เลยนอกจากปืนสั้นซึ่งอยู่ในซองข้างเอว ตวัดมือไปที่ด้ามปืน ท, ทันทีแต่บางสิ่งบางอย่างก็มาทำให้เขาต้องสะดุดชะงักไปอีกไม่ชักปืนออกจากซองเพียงแต่มือแตะด้ามค้างอยู่เช่นนั้นพยายามมองดูมันและแผ่เมตตาจิตให้เพียงแค่อึดใจเดียวเะสารพิษร้ายชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันราวกรฝาแฝดอีกตัวหนึ่งพิดกันแต่ก็ตรงที่เกล็ดของมันเป็นสีน้าตาลก็เลื้อยปราดสวนออกมาจากซอกกิน ฟังตรงข้ามชูคอร่อนราเช่นกันมันตรงเขาใส่เจ้าสีดำที่แพ่พังพานอยู่ก่อนแล้วแล้วพุ่งเข้าชกกัดต่อสู้กันในทันทีต่างฝ่ายต่างชกกัดซึ่งกันและกันเป็นพันละวันพลิกดิ้นตัวตวัดท่อนหางหงายคว่ำม้มวนตัวพันกันอยู่ไปมาอย่างดุเดือดเีย้ถาถอยหลังมาหนึ่งเก้าจ้องตะลึงลืมปวดเบาไปหมดสิ้น อสรพิษขนาดกำลังวัยด้วยกันทั้งคู่รัดพันต่อสู้กันอยู่เช่นนั้นอย่างรวดเร็วแทบจะดูไม่ทันเป็นที่น่าประหลาดแล้วพริบตาเดียวก็ต่างสามารถสะบัด ต, ตัวแยกหางออกจากกันได้โดยหัวของอีกฝ่ายหันไปทางด้านหางของอีกฝ่ายเสียววินาทีต่อมานั่นเองเจ้าตัวสีดงก็พุ่งตัวอ้าปากกว้างเข้างับขยอกส่วนปลายหางของตัวสีน้าตาลไวแน่น ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับตัวที่ถูกหางนับไว้ก่อนก็แหวงกลับนับเอาหางของตัวสีดำไว้เช่นกันอย่างไม่ยอมลดละกลายสภาพเป็นลักษณะวงกลมกัดติดกันอยู่เช่นนั้นพลิกหงายท้องขาวขึ้นทั้งตัวแล้วก็พลิกกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกและและ้วต่างฝ่ายต่างก็ขยอกินจากทางด้านหางซึ่งเข้าไปอยู่ในปากของแต่ละฝ่าย โดยค่อยๆขยับกลืนลึกเข้าไปทีละน้อยทุกครั้งที่มันขยอกลำตัวของแต่ละฝ่ายจะถูกกลืนหายเข้าไปในปากที่อ้ากว้างประมาณครั้งละหนึ่งนิ้วเป็นการขามวดรัดวงกลมนั้นให้ค่อยๆแคบเข้ามาทุกขณะเชษฐาวราฤทธ์ยืนตัวแข็งทื่ดวงตาทั้งคู่เบิกโพรงรู้สึกขนลุกชันขึ้นท้งกายภาพนี้ เป็นภาพที่เขามองเห็นในความฝันที่ผ่านมาแท้ๆขณะม้อยหลับไปเมื่อใกล้สว่างระหว่างที่งูเห่าทั้งสองตัวกําลังขยอกกลืนหางกันและกันอยู่นั้นสติสัมปชัญญะที่ห่างตัวไปชั่วขณะก็กลับคืนมาในทันทีท่านหัวหน้าคณะยกวิทยุในมือขึ้นกดคีย์พยายามพูดด้วยเสียงที่บังคับความตื่นเต้นขีดสุดนั้นไว้เรียกทุกคน เรียกทุกคนเข้ามาที่หลังก้อนหินตรงที่ฉันยืนอยู่นี่เร็วแต่ขอให้เข้ามาอย่างเบาที่สุดและสงบที่สุดอย่าพลวดพลาดหรือเออะโวยวายใดๆทั้งสิน้นมีเสียงการไหวตัวเคลื่อนไหวอย่างสับสนเร่งด่วนเบื้องหลังเขาแล้วชั่วอึดใจเดียวพักพวกทั้งหลายซึ่งเขายังไม่ได้หันไปดูว่ามีใครบ้างก็พรูเข้ามายัางที่เขา แม้จะพยายามไม่กระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นเสียงฝีเท้าของคนเหล่านั้นก็ยังพื้ภาพไปหมดทุกคนมองเห็นในสิ่งที่เช่ฐาจ้องตาเขม่งอยู่ในขณะ น, นี้พร้อมกันทั้งหมดชายันอ้าปากจะร้องอุทานอะไรออกมาแต่ก็อ้าค้างเพราะอนุชาซึ่งรวดเร็วกว่าใช้ฝ่ามืออุดปากเพื่อนไว้ทันก่อนที่จะโวยวายออกมากระซิบเร็วหรือเนียบ นิ่งชยยันทั้งหมดที่ตามกันเข้ามาเหมือนถูกสะกดกันไปหมดในภาพที่เห็นนั้นอินั้นบัดนี้สุดกายลงนั่งขัดสมารถและพนมมือไว้แค่อกหลับตานิ่งครูพรานเริ่มบริกรรมแล้วในขณะที่วงกลมของงูกินหางกันและกันคู่นั้นกําลังพลิกม้วนอยู่ไปมาแต่ก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากกันได้มีแต่จะขมิงเกลียวรัด วงแคบเข้าไปทุกขณะในขณะที่ต่างฝ่ายต่างขยอกกลืนหางของอีกฝ่ายลึกเข้าไปทุกทีทุกทีในความตะลึงและปรากฏการพิสดาลที่เด่นชัดอยู่กับพื้นเบื้องหน้าบัดนี้เชตถาเริ่มสํารวมสติได้แล้วเขาหันไปทางน้องชายและเพื่อนพร้อมทั้งจับแขนบุคคลทั้งสองบีบแน่น เหมือนจะเตือนให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี่แหละคือสิ่งที่ค้นหากันอยู่และมันได้มาปรากฏให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างไม่คาดฝันแล้วทั้งอนุชาและชยันหันมาจ้องหน้าเขาแล้วพากันเงียบกริบสาหรับชยันนั้นใบหน้าแดงําไปด้วยความตื่นเต้นปิติพยักหน้าลงนิดหนึ่งเป็นการยอมรับรู้ส่วนอนุชากัดริมฝีปากแน่นหันไปจ้องภาพนั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งยกมือขยี้ตาเหมือนจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนายชวนและพวกลูกหาบทั้งหลายที่เข้ามายืนมุงกันอยู่ด้วยความแปลกใจเบื้องหลังไม่ทราบความในอะไรมาก่อนต่างพากันอยู่ในอาการแปลกใจกันท่วนหน้าแต่พวกนั้นก็ฉลาดพอสมควรที่เห็นฝ่ายนายจ้างทุกคนสงบนิ่งสำรวมกันทั้งหมดมีหนำซ้าครูพรานผู้เฒ่ายังลงนั่งฟนนมมือบริกรรมต่อสิ่งที่เห็นอยู่นี้ ยึงพากันยืนนิ่งจ้องมองเฉยๆอยู่ท่านหัวหน้าคณะทำสัญญาณกับลูกหาบทั้งสิบห้าคนรวมทั้งขยินไม่ให้ส่งเสียงเออะหรือกระทำการอันใดที่กระโตกกระตากขึ้นแล้วโบกมือลงช้าๆเป็นการสั่งด้วยภาษาบายให้ทุกคนนั่งลงทั้งหมดจึงพากันค่อยๆย่อนกายลงนั่งยองๆกับพื้นตัวแช่ท้าเองรวมทั้งอนุชาและชยัน บัดนี้ก็ลงนั่งราบลงแล้วโดยไม่ได้นัดหมายหรือ ก, กล่าวคำใดแก่กันเลยทั้งสามคนลุกชันอยู่เป็นระลอกจากปรากฏการณ์ที่เห็นเพราะตังยังจำได้ดีถึงข้อความบอกเล่าเกี่ยวกับความฝันของเชษฐาโดยมีนันอินเป็นผู้เฉลยปริศนาแห่งความฝันนั้นนะักบัตนั้นไม่ทันตะวันจะตกดินเสียด้วยซ้าสิ่งที่เอ่ยขึ้น และนัดแนะกันไว้ก่อนล่วงหน้าก็มาปรากฏให้เห็นจริงเข้าแล้วซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนั่นก็คืออสรพิษร้ายสองตัวกลึงกินหางกันและกันเป็นรูปวงกลมติดคากันอยู่อันจะกลายเป็นหน้าขบาทอาวุธสำคัญของนาคราชที่จะขจัดทําลายอาถรรพ์พระเวทกาลีหรือเดรชา น, นรกวิชาทุกชนิดให้เสื่อมสลายไป ชั่วระยะเวลาอันไม่ทันจะเคี้ยวหมากจืดเท่านั้นงูเห่าสองตัวที่กลืนขยอกกินหางซึ่งกันและกันก็รัดวงแทบกระชับเข้ามาอย่างรวดเร็วกระทั่งในที่สุดดูเหมือนว่ามันต่างก็ไม่สามารถจะกลืนลําตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปได้อีกแล้วติดค้างชะงักขากันอยู่เป็นวงกลมดิกมีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมประมาณหนึ่งฟุตเหมือนห่วง หรือพวงมาลัยรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าเกร็ดสีดําที่กลืนหางของเจ้าเกร็ดสีน้ําตาลเข้าไปก่อนอยู่ด้านหน้าและส่วนหัวของตัวเกร็ดสีน้ําตาลอยู่ด้านหลังในลักษณะหันไปทางเดียวกันการเคลื่อนไหวของงูทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายก็คือค่อยๆพลิกท้องขาหงายขึ้นและยุติการกระดิกกระเดี้ยทั้งมวลลงเพียงแค่นั้น ไม่มีการขยับขยื่นใดๆอีกเลยสภาพเหมือนต่างฝ่ายต่างตายสนิททั้งๆ ท, ท, ที่เป็นสัตว์เลือดเย็นและยังไม่น่าจะตายได้อย่างง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วถึงขนาดนี้มันก็พอดีกันกันกบที่นันอินหยุดบริกรรมค่อยๆ ค, ค, คลานเข้าไปยังงซากงูทั้งสองนั้นมืออันสันเทาไปด้วยความปีติยินดีของแกสอดเข้าไปประคองซากทั้งสอง อันไม่มีการขยับไหวอีกเลยแม้แต่นิดเดียวจบขึ้นเหนือสีสักแล้วนำมาส่งในลักษณะประเคณให้แก่เชษฐาพลางกระซิบนายใหญ่ครับรับไว้เถอะครับนี่คือหน้าขบาด ท, ที่น้ากะเทวีมอบไว้ให้แก่นายใหญ่แล้วตรงตามความฝันที่มาบอกนายใหญ่ไว้ล่วงหน้าทุกอย่าง เราได้สิ่งอันมีอำนาจเหนือกวเวทมนต์คาถาอาคมอัปรีของไอ้ผีนรกมันไรแล้วอย่างที่นั้นอินได้บอกกับนายใหญ่ไว้เมื่อหัวรุ่งนี้แล้วลครับท่านหัวหน้าคณะมีอาการรีรออยู่แล้วขนยังลุกสู้อยู่เช่นนั้นแต่ดวงตาซอแววปิติตราโมดเหลือที่จะกล่าวได้ฉันจะเป็นฝ่ายที่เก็บสิ่งนี้ไวเหรอทาไมลุงอินรู้อะไรดีกว่าฉันอนะ ทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะนานอินยิ้มทางสันศรีสักแต่จ้องเขมงมาที่เขานายใหญ่ครับนี่ละ่ะคือกำไรงูที่นายใหญ่เห็นในฝันว่าธิดาพญานาคโยนส่งมาให้เพราะฉะนั้นคนที่จะเก็บรักษาไว้ก็คือนายใหญ่นั่นแหละไม่ใช่คนอื่นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งเดียว ที่จะปราบมันไรได้นาะเทวีประธานมาให้แกนายใหญ่โดยตรงเพราะนายใหญ่เป็นคนฝันนายใหญ่เป็นคนเห็นสิ่งนี้เป็นคนแรกครับพี่ใหญ่รับไว้เถอะครับอนุชากระซิบบอกมาอีกคนทั้งๆ ท, ที่โดยปกติทั่วไปแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนที่งมงายหรือเชื่ออะไรง่ายๆนักแต่สิ่งที่ผู้จาหารือกันมาก่อน และได้มาเห็นกระจ่างแจ้งกระสายตาตนเองเช่นนี้ทำให้อดีตพรานชดต้องยอมรับด้วยความอัศจรรย์งงงวยลุงอินพูดถูกแล้วใครจะเก็บรักษาสิ่งมหัศจรรย์ลี้ับชนิดนี้ไว้ไม่ได้นอกจากพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้นล่ละครับจากสิ่งที่เราพูดกันไว้ก่อนเมื่อเช้านี่พี่ใหญ่เป็นคนฝันและพี่ใหญ่ก็เป็นคนพบในปรากฏการณ์นี้ใช่ใช่ แกนั่นแหละเชฐาของมันพิสูจน์ได้ชัดแล้วในการที่แกมาพบเห็นปรากฏตการชนิดนี้เป็นคนแรกมันเป็นลางดีเป็นชัยชนะของเราแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่าเวลาน่ะมันจะถึงเมื่อไหร่เท่านั้นชยันสกิตเตือนมาอีกคนอดีต ท, ท่านทูตทหารบกมีความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกในขณะ น, นี้เขามองหน้าเพื่อนมองน้องชาย และใช้ข้อนิ้วเช็ดเหงื่อที่หัวคิว้วอันกำลังจะย้อยเข้าตาและนี่ฉันจะต้องทำหรือปฏิบัติยังไงมั่งลุงอินไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละครับนายใหญ่นายใหญ่ายายแค่รับไปเก็บรักษาไว้ก็แล้วกันไม่ต้องมีพิธีอะไรทั้งสิน้นของเขาให้มาชัดๆแล้วส่วนนายใหญ่จะลึกลกจะลึ ก, ลกถึงขอบคุณไปถึงผู้ที่ประทานมาให้ยังไง ก็สุดแล้วแต่จะนึกเอาต่อไปนี้มันไตรและเวทมนกาลีของมันทำอะไรนายใหญ่และพวกเราภายใต้บารมีของนายใหญ่ไม่ได้อีกแล้วละ่ะจะมีก็แต่ว่านายใหญ่จะเป็นฝ่ายล่ามันต่ำกว่านรกยังมีนรกเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือวิทยาอาคมของมันไตรก็ยังมีหน้าขบบาทวงนี้แหละครับ เชิาสูตรลมหายใจลึกส่งกระแสจิตไปถึงสตรีสาวสวยผู้มีหน้าคราทเป็นมงกุฎที่เขาเห็นในภาพฝันเมื่อใกล้รุ่งของวันนี้คาระวะและขอบคุณพร้อมกันก็สะกดกลั้นลมหายใจขณะที่ยื่นมือทั้งสองไปประคองรับมาไวเชฐาเอื้อมมือไปรับซากมูทั้งสองนั้น ทันทีที่ซากมือแตะมือซากงูแตะมือเขาอุณหภูมิมันร้อนแรงราวกับรับเอาทานติดไฟไว้ในมือแต่เขาก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรคงกำไว้แน่นสกดลมปราณแนวนิ่งอยู่เช่นนั้นกรามขบกันเป็นสันมือทั้งสองสันริกๆแต่แล้วชั่วขณะจิตเดียวความร้อนราวกระฐานติดไฟนั่นก็คลายลงอย่างรวดเร็วกระทั่งในที่สุด ก็เย็นเทียบประหนึ่งก้อนน้ำแข็งพุ่งปราดส่งกระแสะความเย็นนั้นเข้าถึงโ้อหัวใจและมีสภาพที่แข็งกระด้างราวกับงูที่สลักขึ้นด้วยหินขณะที่ก้มลงเพ่งตามองจะเป็นด้วยตาฝาดหรืออุปทานอะไรก็ไม่ทราบเขาเห็นประกายเพชรนินจินดาหลากสีสว่างวาวูบเป็นรูปกำไลข้อมือของสาวงามในความฝันนั้น ปลิงรังสีอยู่พร่างพราวครั้นเมื่อหลับตาลงสะบัดหน้าแรงๆแล้วลืมตาดูใหม่มันก็คงสภาพเป็นซากงูกินหางกันและกันตามเดิมพึงพำออกมาอย่างมึนงงเหมือนจะกล่าวกับตนเองนี่นี่ความฝันของฉันมันกลายเป็นความจริงไปแล้วเหรอเนี่ยครับนายใหญ่เป็นคนประเสริฐ เป็นคนมีศีลมีสัตว์อำนาจชั่วร้ายที่มันเข้ามาแผลพานราวีในายใหญ่และบริวารถ้ามันไม่แพ้ภัยตัวเองไปก็ย่อมจะมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเข้ามาปกป้องและเข้าข้างในายใหญ่แต่ไอ้ผีดิบนั่นยังกำแหงหานและยังขืนต่อตีกับนายใหญ่อีกมันก็จะถึงคราวพินาศแล้วบารมีพระอาราหันต์จะปกป้องคุ้มครองเรา ส่วนหน้ากบาจจะเป็นอาวุธของเราตลอดเวลามาเราเพียงแต่คอยพละนี้หรือตั้งรับอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ไปเราจะเป็นฝ่ายฉะมันมั่งละถ้ามันยังไม่หยุดราวีลีกหนีไปให้พ้นครูพรานผู้เท่ากล่าวหนักแน่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่มีครั้งใดที่สีหน้าแววตาของแกจะแจ่มใสเท่ากับครั้งนี้ แต่นี่ฉันยังไม่เข้าใจเลยนะว่าเราจะใช้สิ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็ใช้ใช้เมื่อไหร่ในายใหญ่เก็บรักษาไว้กระตัวเธอไงๆมันก็จะคุ้มครองหมู่คณะทั้งหมดถ้ามันโทกมาม่เล่งงานเมื่อไหร่ก็โยนก็ใส่เถอครับในายใหญ่แล้วจะเห็นเองว่าอิทธิฤทธิ์ของนาคบาตวงนี้นะมันเป็นยังไงเมื่อถึงเวลาจาเป็น นายใหญ่จะรู้เองว่าจะต้องเอาออกมาใช้ได้ยังไงนันอินไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วล่ะเอ่โดยแท้ที่จริงสิ่งนี้เป็นงูมีชีวิตสองตัวที่กลืนกินหางกันเองแล้วก็ตายคากันอยู่นะต่อไปมันก็จะเน่าเปื่อยเชษฐาพูดเหมือนรำพึงแต่นันอินจันศีรษะอีกครั้งนายใหญ่เข้าใจผิดแล้วครับ โดยแท้จริงแล้วที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกคนนี่เป็นสิ่งที่บรรดาลให้เห็นเท่านั้นงูสองตัวที่กลืนหางติดกันเป็นวงกลมนี่จะไม่มีการเน่าเปื่อยเพราะไม่ใช่งูที่มีชีวิตจริงๆแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาโดยธีดาหน้าคาราชองที่นายฝันเห็นเมื่อหัวรุ่งนั่นแหละนายใหญ่ยังพูดอยู่เองว่าเราจะไปหางูสองตัวกินหางกัน ติดตายอยู่อย่างที่ฝันเห็นได้ที่ไหนแล้วนายใหญ่เองนั่นแหละก็มาเห็นเข้าเพียงแค่ไม่ทันตะวันตกดินถ้ายังไม่เชื่อในเรื่องนี้แล้วนายใหญ่ก็ไม่ต้องเชื่อในอะไรสักอย่างเดียวจับดูตัวงูเถอะตาเราเห็นว่าเพิ่งจะกลืนกินเข้าไปแล้วติดตายตามธรรมดาตัวก็ต้องนิ่มอย่างซากงูทั่ ว, วไปที่เพิ่งตายแต่อันที่อยู่ในมือนายน่ะมันยังกระท่อนไม้หรือท่อนหินไม่มีผิด แล้วครูพรานพูดเท่าก็หันไปพยักหน้ากับอนุชาและชัยยันอ้าวพรานชดกับนายทหารก็ลองจับดูสิลองจับดูว่าเป็นตัวงูที่เพิ่งตายใหม่ๆหรือเปล่าทั้งชัยยันและอนุชาค่อยๆเอื้อมมือมาแตะสัมผัสแล้วก็พากันอึง้งจังงังไปอีกจริงตามที่ครูพรานบอกไว้ทุกอย่าง ซากหมูกินหางทั้งสองที่กลายเป็นวงกลมอยู่ในฝ่ามือประคองของเชธธิดาในขณะ น, นี้แข็งโป๊กเรากระท่อนหินหรือท่อนไม้ฉะนั้นเพียงแต่ว่ากรดอันละเลื่อมและดวงตาทั้งสองคู่ที่บ่งชัดว่าเป็นงูเหมือนจะยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่กระดุกกระดิกเท่านั้นนี่แกเห็นยังไงลักษณะไหนก่อนนี่ฉันหมายถึงก่อนที่วิทยุจะเรียกพวกเราเข้ามา ชัยันถามในขณะที่เชิดหายังประคองถือบ่วงงูอยู่ในมือเหมือนจะยังทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นตอนนั้นฉันก็กำลังจะมาเบาพอพะาะอ้อมหลังหินพิงกันก้อนนี้เข้ามาเจ้าตัวดำก็เลื้อยออกมาจากซอกหินใกล้ๆทางซ้ายมือชูคอแผ่แม่เบีย้ยทำท่าเหมือนจะฉกกัดฉันฉันยืนนิ่งครั้งแรกก็จะยิง แต่แผลไม่ตาและคอยดูทีท่ามันอยู่ทันใดอีกตัวเป็นตัวสีน้ำตาลที่เห็นนี่ก็โผล่มาจากโพรงหินฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้าฉกกัดตัวดํานี่เลยทั้งสองตัวก็สู้กันอุตลุดไปหมดครั้งแรกฉันก็ยังคิดอะไรไม่ออกนอกจากตะลึงดูแต่พอเห็นตัวดําเริ่มคาบและขยอกหางตัวสีน้ําตาลแล้วตัวสีน้ําตาลก็แวงมังงับหางตัวดํามั่งฉันก็เอกใจรีบพิทยุเรียกพวกแกทุกคนเข้ามา แล้วเราก็มาเห็นกันอย่างที่ปรากฏอยู่นี่แหละชัดแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องมาขบคิดอีกละอดีตนายทหารปืนใหญ่สหายของเขาตบแขนเชษฐาเบาๆเก็บไว้ดีเถอะเชิฐาตอนนี้เราได้อาวุธสำคัญจากเทพเจ้าแห่งงูเพื่อจะตอบโต้หรือกาจัดไอ้โครผีดิบมันตรแล้วอาจจะมอบไม้พวกเราทั้งคณะ การพิจารณาวินิจฉัยว่าจะใช้ยังไงใช้เมื่อไร่ดูเหมือนหน้าคาเทวีจะมอบหมายเป็นหน้าที่ของแกโดยตรงซึ่งก็ถูกต้องละเพราะแกเป็นหัวหน้าของพวกเราทุกคนมั่นใจเถอะอย่าไปมัวสงสัยคลางแคลงอะไรอยู่อีกเลยเชษฐาก็ยืนขึ้นในบัตรนั้นหันกลับไปยังพวกลูกหาบทุกคนที่ยังพากันนั่งยองๆรายล้อมเป็นแถวอยู่เบื้องหน้า ชูบ่วงงูให้ทุกคนเห็นพร้อมทั้งประกาศขึ้นด้วยเสียงดังได้ยินทั่วกันว่าพวกเราทุกคนขอให้ดูสิ่งนี้งูกินหางกันสองตัวไปเป็นรูปบ่วงวงกลมเป็นของอาถรรพ์และศักดิ์สิทธิ์ยิง่งถ้าใครได้มาก็จะใช้ป้องกันต่อสู้กับมนตร า, าคมและอิทธิฤทธิ์ของไอ้ผีรายที่มันกำลังเล่นงานเราอยู่ในขณะนี้ และปราบมันลงได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ทุกคนวางใจและอบอุ่นเชื่อมั่นใจไม่ต้องกลัวมันไรหรือฤทธิ์เดชต่างๆของมันอีกแล้วเรามีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้โกนมันได้ตกไปทุกเปลาะรวมทั้งปราบมันได้ด้วยแล้วฉันก็จะเป็นผู้เก็บไว้ใครยังสงสัยยังไงก็ไปถามครูพรานนานอินดู เราไม่ได้คิดกันเอาเองว่าสิ่งนี้เป็นของดีวิเศษไว้ต่อสู้มันไตรแต่ก่อนที่พวกเราทุกคนจะมาพบเห็นเข้าเมื่อใกล้รุ่งวันนี้เทพเจ้าได้มาบอกกับฉันไว้ล่วงหน้าแล้วลูกหาบร่วมตายทั้ง15้าชีวิตอันแท้จริงก็คือลูกหาบบ้านหนองน้ําแห้งของระพินเองพากันเงียบกริบจ้องเขม่งมายังสิ่งที่นายใหญ่ถือชูอยู่ในมือเป็นตาเดียว แล้วต่อมาก็มีเสียงพูดซุบซิบกันเองเบาๆนานอินอันทุกคนยอมรับนับถือในฝีมือและอาคมมานานเพราะต่างก็เคยรู้จักครูพรานผู้เฒ่ามาตั้งแต่เกิดก็ก้กาวเข้ามายืนเคียงข้างในายใหญ่คนย้ำเสียงดังพวกเองเชื่อในายใหญ่ได้ท่านพูดความจริงต่อไปนี้พวกเองไม่ต้องกลัวไอ้ผีดิบตัวนี้อีกต่อไปแต่ขอให้ทอย่างเดิม อย่าประมาทอย่าแยกพวกนอกคำสั่งออกไปและระวังตัวไว้ทุกขณะเหมือนเดิมพวกเราตามหลังนายระพิน์มาในครั้งนี้ถึงจะถูกเล่นงานหนักเราก็ยังโชคดีกันอยู่ยังไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายกันเลยสักคนเดียวแต่พวกของนายระพินตายไปแล้วสองคนเพราะฉะนั้นถึงยังไงเราก็ยังโชคดีกว่า พวกนั้นมีสีหน้าดีกันขึ้นทุกคนในคำประกาศก้องของหนานอินซึ่งดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์กว่าคำพูดของท่านหัวหน้าคณะเสียอีกเราได้ของดีมาแล้วแต่นายหญิงที่หายสาบสูญไปละ่ะจะทำยังไงนายชวนลูกหาหัวหน้าลูกหาบถามขึ้นเราจะออกติดตามไปเดี๋ยวนี้และจะตามไปเรื่อยๆตามไป จนกว่าจะพบผู้ประกาศขึ้นขึึมในคราวนี้คืออดีตพรานชดแล้วเขาก็โบกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไป148เขถาบรรจงห่อซากงูนั้นด้วยพลาสติกกันฝนบางๆและบรรจุลงไปในย่ามหลังส่วนตัวของเขาหลังจากนั้นอีกสิบนาที ทั้งคณะก็เริ่มเดินทางต่อไปอย่างแข่งกับเวลาภายใต้การนำของนานอินและขยินเช่นเดิมโดยตั้งความหวังไว้ว่าควรจะพบพื้นที่ราบโลง่งอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าตามรอยที่กระแสน้ำป่าเมื่อคืนพัดผ่านไปจริงดังว่าหนทางเดินเริ่มโปร่งโล่งขึ้นทุกทีจากสภาพของต้นไม้ใหญ่ประเภทดึกดำบรรอายุเป็นพันพันปี ป่าเริ่มจะปโปรงขึ้นต้นไม้เริ่มมีขนาดเล็กลงทัศนวิสัยพอจะมองหินกว้างไกลออกไปไม่แน่นทึบมืดมนเหมือนเช่นที่เดินกันมาตลอดระยะ 3-4 ชั่วโมงโคดหินเริ่มจะปรากฏหน้าตาขึ้นสมรรถภาพในการแสวงหาข้าวเงื่อนร่องรอยในป่าของครูพรานนานอินและขยินสำแดงให้ปรากฏชัดในสายตาของฝ่ายนายจ้างอีกครั้ง ไม่ผิดแล้วที่การบุก ป, ป่าฝ่าดงในครั้งนี้มีคนทั้งคู่มาด้วยแม้ว่าจะปราศจากระพินหรือแงสายก็ตามชั่วไม่นานทั้งคู่ก็นำคณะทั้งหมดโผล่กมายังบริเวณป่าหินอย่างแท้จริงอันสลับไปด้วยผู้ไม้เล็กๆยืนต้นเรียงรายกันอยู่ประปรายเป็นระยะมองเห็นวิวส่วนบนเบื้องสูงขึ้นไปโปร่งโลง่ง จะเห็นความครึ้มเขียวสูงทะยานจรดมเมฟของทิวขุนเขาที่เป็นกำแพงลิบลิบกั้นอยู่ในทิศทาง180องศาเบื้องหน้าและขณะนั้นทุกคนกำลังเลียบผ่านเนินเขาเตี้ยๆทางฝั่งขวามือซึ่งมีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ไม่สู้จะหนาแน่นนักบัดดลขณะผ่านเนินเขานั้น ทุกคนก็ต้องสลัดไรเฟิลและลูกซองที่สะพายไหล่ออกมาทันทีโดยสัญชาตยานพร้อมกันหมดเสียงแปรนที่ดังราวกะเป่าออกมาจากเครื่องดนตรีทรัมเป็ต ด, ดังก้องสนั่นกลางวานขึ้นบนเนินเขาลูกนั้นแต่ยังไม่สามารถจะกําหนดตําแหน่งแน่นอนได้นั่นมันเป็นเสียงช้างชัดๆลูกเลื่อนไรเฟิลทุกระบอกทุกตบขึ้น แล้วผลักลงเป็นการขึ้นสปริงขึ้นแทงชนวนโดยไม่ได้นัดกันเลยพวกลูกหาพรีปรดของหนักจากบามือทั้งสองหันมาจับปืนประจำตัวแทนและทุกหัวใจไปอีกขณะกิตหนึ่งของความเงียบและสภาพเตรียมพร้อมต่อการประจำของฝ่ายมนุษย์เสียงร้องแหลมกึกก้องนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ลากยาวกว่าครั้งแรก และมีเสียงดังตามหลังมาด้วยไปต่อกันหลายช่วงสงสัยจะไม่ใช่ช้างอื่นเสยแล้วคงไอ้ด่วนแน่แล้วนานอินตะโกนขึ้นทมตามความตื่นเต้นของทุกคนและตัวกเองก็เพ็นขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินสูงริมทางด้านที่ติดกระเนินนั้นขณะนี้เษฐาอนุชาและชยยัน ถือไรเฟิลพร้อมในท่าเงยปากกระบอก45องศาไปทางด้านนั้นพร้อมที่จะประทับไรได้ทันทีหากมีอะไรโผวดพลาดออกมาเทาว่าเป็นที่น่าประหลาดมากในป่าบนเนินเขาเตี้ยๆนั้นยังเงียบสงบไม่มีเสียงของการเคลื่อนไหวใดๆเลยและต่อมาก็มีเสียงร้องยาวขึ้นอีก น้ำเสียงร้องชนิดนั้นไม่ได้เป็นเสียงแตรตนจนนะาอย่างสำแดงอำนาจรุนแายใดๆทั้งสิ้นแต่น่าจะฟังเป็นเสียงร้องของช้างที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากสาหัสและปรารถนาจะทำเสียงออกไปให้ได้ยินกระดุดเสียงแห่งการร้องขอความช่วยเหลือันนั้นไอ้ด้วนไอ้ด้ว น, อนเองใช่ไหมเองใช่ไหมไอ้ด้วน นานอินป้องปากตะโกนออกไปสุดเสียงของแกคราวนี้ไม่เพียงแต่เสียงร้องแอ้ตอบมาเท่านั้นยังแววเสียงกระดึงไม้ไผ่ที่ดารินผูกคอมันไว้แววโกกเกกดังตอบมาด้วยเหมือนจะเจตนาสายคอหรือสายหัวเพื่อให้กระดึงที่ผูกคออยู่นั้นเป็นรหัสสัญญาณบอก ทุกคนของกันณะอุทานออกมาพร้อมกันว่าไอ้ด้วนนันอินนั้นสะพายปืนกับไห ล, แล่แล้วแล้วไตเนินขึ้นไปในทันทีส่วนอนุชาร้องบอกกับทุกคนเร็วหรือว่าไอ้ด้วนแน่แล้วนะครับก็อะไรขึ้นกับมันเนี่ยถึงมีแต่เสียงร้องไม่โผล่ไม้เราเห็นเร็วครับเร็วขึ้นไปดูกันเดี๋ยวนี้ต้องเกิดอะไรกับมันแน่ๆเลยอ่ะนายชวนบอกป้าพวกทุกคนปลุกของไว้ที่นั่นก่อนนะ เอาแต่ปืนแล้วไปตามขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยทั้งคณะรีดไต่ตามการนําของหนานอินขึ้นไปโดยเร็วติดตามด้วยพวกลูกหาบที่ปลดของลงระหว่างทางทิ้งไว้ชั่วขณะคงมีติดตัวขึ้นไปก็เฉพาะปืนเท่านั้นหนุนทางนั้นเป็นแกงแง่โคทินเรียงรายอยู่เหมือนขั้นบันไดยอยู่ก่อนแล้วการไต่ขึ้น ทำได้สะดวกรวดเร็วดีมากทั้งหมดกระจายกันปีนป่ายขึ้นไปในลักษณะแทบจะเรียกได้ว่าเรียงหน้ากระดานแข่งกับเวลาเพราะเสียงร้องของเจ้าด้วนและเสียงกระดึงที่ผูกคอมันยังดังก้องมากขึ้นทุกทีทุกทีไม่น่าจะห่างไกลออกไปนักมันคงจะได้ยินเสียงตะโกนเรียกของฝ่ายมนุษย์แล้วคงจะได้กลิ่นแล้วอย่างแน่นอนนานอินป้องปากตะโกนให้เสียงขึ้นไปเป็นระยะ และมันก็ร้องตอบออกมาทุกครั้งเหมือนกันเชิฐาชยันและอนุชาปีนตามหลังครูรานไปติดๆชั่วไม่นานเท่านั้นทั้งหมดก็พากันขึ้นมาถึงบริเวณพื้นลุ่มๆ ม, มดนิดนๆเหนือบริเวณเนินสูงแถบนั้นซึ่งพื้นทั่วๆไปแห้งสนิทแสดงว่าน้ำป่าเมื่อคืนไม่ได้ไหลท่วมท้นขึ้นมาถึงมีพุ่มพงและเนินปลวกสูงๆ ต, ต่าๆอยู่ทั่วไปหมด สลับไปกระโดงลานและไม้พันป่านทุกสายตาที่ขึ้นมาถึงในเวลาไล่เลี่ยกันวาดมองไปรอบๆช่วยกันค้นหายอย่างรวดเร็วแม้จะรู้แน่ว่านั่นเป็นเสียงของเจ้าด้วนแตไรฟ้ลและลูกซองทุกระบอกก็อยู่ในภาวะพร้อมอย่างไม่ประมาทเพราะไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าช้างคู่บารมีของดารินที่ได้ยินเสียงร้องอยู่ขณะนี้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 ระหว่างที่ทุกคนกำลังโสดสายสายตาอยู่นั้นก็มีเสียงร้องดังสนั่นของมันดังออกมาจากหลังโดงลานอันมีปลวกใหญ่ลูกหนึ่งบังอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปเพียงระยะไม่เกิน25เมตรนั่นเองนยอยู่หลังปลวกนั่นแน่แล้วแยกกับคนละด้านครูปรานร้องบอกและตัวเองก็แล่นฝ่าพุ่มไม้เล็กๆที่ขึ้นยู่ทั่วอ้อมไปทางซีกซ้ายมือพร้อมกับเชิดางส่วนนานิชาและชัยยัน เดี๋ยวไม่ต้องนัดแน่อะไรกันอีกแยกไปทางด้านขวลูกหาบทั้งหมดหือตามกันเข้ามาทั้งขบวนพอรับเนินปลวกอันเหมือนภูเขาย่อมย่อมบังไว้นั่นเองทั้งหมดก็ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวด้วยความยินดีระคนตกใจประหลาดใจขีดสุดไอ้ด้วนช้างพลายขนาดมหคือมาตัวหนึ่งลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือหางอุดด้วน และที่คอของมันมีกลักไม้ไผ่เป็นกระดึงซึ่งดารินสั่งให้ทําผูกคอไว้บัดนี้ยืนชูงวงสูงวัดแกงไปมาอยู่ในปลักคโครนลักษณะประหลัดขาของมันทั้งสี่ข้างจมลงไปในบริเวณปลักนะั้นจมจนเกือบถึงโคนขาซึ่งในสภาพนี้ทุกสายตาก็สามารถบอกได้ทันที ว่ามันไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวขยับขยื่นใดๆแค่นี้สิเพราะน้ําหนักของตนเองเป็นเครื่องทูลอยู่ประการากสภาพอปนเหลวข้นดึงดูดของโครนหรือเลนเหล่านี้ทาหน้าที่ยึดมันไว้มีอยู่สองทางเท่านั้นสําหรับคือติดคาอยู่ในสภาพเช่นนั้นตลอดไปแต่หากว่าพื้นเบื้องล่างมีส่วนแข็งพอหรือมิดชนะก็จะค่อยๆดึงดูดมันให้จมิ จนกระทั่งมิดตัวหากบ่อนั้นมีสภาพเป็นบ่อโคลนดูและพื้นเบื้องล่างอ่อนหรือลึกลงไปจนหาก้นไม่พบอันเป็นสภาพของบ่อโคลนมรณะสำหรับดักสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันมักจะพบเห็นอยู่ในเขตป่านรกดำอยู่บ่อยครั้งจนทุกคนรู้จักสภาพของมันดีพอเห็นกลุ่ ม, มนุ์ทุกคนที่เคยเป็นมิ มันก็ส่งเสียงยาวร้องขึ้นอีกชูงวงโบกเหมือนจะเรียกหาความช่วยตาไหลพรากออกจากดวงตาเห็นชัดสภาพของมันขนาดนี้เห็นชัดก็หมดแรงและสิ้นหวังแล้วภายหลังจากพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่เป็นเวลานาน<ป>เฮ้ยไปไงมาไงกันนี่ด้วนเช็ดเท้าอุทานออกมาอย่างลืมตัวขยับจะถลันปากเข้าไป แต่นั้นอินโดดเข้ากระชากไหลไว้ทันและล่ำาละลักเดี๋ยวนายใหญ่อย่าเพิ่งพัพวพลาดเข้าไปนั่นนะมันบ่อโคลนดูดตัว ด, ดัวดไรที่ทวนสึกก่อนดิเมื่อนั้นเชษ ฐ, ฐาจึางได้สติยืนเบิกตาตะลึงมองดูมันนิง่งส่วนทางด้านอนุชาและชัยยันก็เข้าถึงอีกฝากหนึ่งของบ่อโคลนเช่นกันและอดีตฟรานชดก็ล็อกคอชัยยันไว ก่อนที่เขาจะพรวดพลาดเข้าไปใกล้ริมบอ่อโคลนเกินไปนักดึงตัวให้ถอยห่างออกมาก่อนพวกลูกหาบทุกคนส่งเสียงหือตะโกนเรียกชื่อไอ้ด้วนกันแทรกไปหมดแต่ก็ถอยออกไปล้อมไว้ห่างพอประมาณเพราะหน้นอินตะโกนสั่งความมาพร้อมทั้งโบกมือให้เป็นสัญญาณไล่แม่ใครหลวมตัวผีผาล์ลาเข้าไปและทุกคนก็เริ่มช่วยกันตรวจตราพิจารณาสถานที่แวดล้อมของบอ่อโคลนประหลาดนั้นโดยเร็ว มันมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบเหมือนก้นกระทะโดยมีระดับสูงมาจากทุกด้านเทลงมาบรรจบกันตรงบริเวณอันเป็นบอ่อโคลนหรือเลนเละเฉพาะบริเวณบ่อนั้นไม่กว้างเกินไปนักรูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูเนื้อที่ประมาณไม่เกิน30ตารางวาก่อนจะถึงบริเวณปากบอ่ออันมีปริมาณโคลนมากก็เป็นพื้นโคลนแฉะแฉะล้อมอยู่โดยรอบ และถ้าไม่ใช่เพราะเห็นช้างใหญ่ขนาดเจ้าด้วนลงไปจมอยู่จนถึงโคนขาสายตาผาดผาาจะมองไม่รู้เลยว่ามันเป็นบ่อคลนเหลว อ, อยู่ภายใต้เพราะมีใบไม้หล่นมาปิดบงังปกคลุมพรางตาไว้ทุกคนที่พวดกันกามาทุกด้านเพิ่งจะมารู้ตัวเองว่าเท้าของแต่ละคนที่แล่นเข้ามาเพราะความดีใจระคนตกใจที่เห็นเจ้าด่วน ปรากฏว่าเหยียบลึกลงไปในโคลนจมถึงข้อเท้าเข้าไปแล้วและมีอาการว่าถ้าแม้จะยังยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นต่อไปมันจะค่อยๆจมลึกลงไปทุกข่อย่างช้าๆนานอินกับอนุชาตะโกนสั่งให้ทุกคนถอยออกมาให้พ้นจากบริเวณที่เท้ายืนจมโคลอนอยู่นั้นทันทีจนกลับมายืนอยู่บนพื้นแข็งทางด้านเหนือของบริเวณบ่อเลน อันเป็นที่อ่อนนุ่มเปียกแฉะนั้นมีรอยย่ำสับสนไปด้วยรอยเท้าช้างนับไม่ถ้วนรอยกิ่งพุ่มไม้แหลกเป็นแปลงและต้นไม้ใหญ่บางต้นกิ่งที่อยู่ต่าๆหักสะบันบางแห่งก็มีรอยงาแทงฉีกเอาไว้เป็นบาดแผลยาวเวอร์เห็นชัดอนุชาเอามือเกาขมับปรีตาดูหลักฐานที่เห็นอยู่นั้นส่วนนั้นอินและขยิน ก้มก้มเงยเงยดูรอบเท้าช้างที่เห็นสับสนบางแห่งก็เป็นรอยทะไหลลื่นเหล่านั้นด้วยสายตาของผู้ชำนาญใครลูกหาบอื่นๆก็กระจายกันออกตรวจรอบบริเวณจะมีก็แต่เชษฐาและชา ย, ยันเท่านั้นที่ยืนเม้มริมฝีปากอึง้งตาจับมองไปยังเจ้าด้วนที่ยืนติดคาอยู่ในปลักนั้นอึดใจเดียวทั้งนานอินขยิงและอนุชา ก็เดินเข้ามายังท่านหัวหน้าคณะและชัยยันเราสันนิษฐานได้แล้วละครับจากร่องรอยที่เห็นอยู่นี่อนุชาเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วต่าเจ้าด้วนถูกช้างหลายตัวซึ่งมันจะต้องเป็นช้างร้ายผีลงของมันไรดักรุมเล่นงานมันบริเวณนี้เข้าใจว่าจะต้องเป็นตอนเย็นของเมื่อวานตอนที่มันแยกจากคณะของเราเมื่อเราไปถึงชานผานําตก รอยต่อสู้เป็นแปลงนี่มันบอกชัดเลยครับและเจ้าด้วนก็คงจะได้ต่อสู้จนสุดฤทธิ์สุดเดชของมันนั่นแหละไอ้ช้างผีพวกนั้นทําอะไรเจ้าด้วนไม่ได้ก็เลยเชื่อกันผลักไสหรือล่อเจ้าด้วนถลํา ล, ลงไปติดปลักโครนลึกนั่นมันจะเป็นปลักโครนดูดหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ได้แต่ตรงที่เจ้าด้วนติดขยับตัวเคลื่อนไหวไม่ได้เลยลึกพอที่จะกดตัวมันให้จมลงไปถึงโคนขาทั้งสี่ข้าง ถ้าว่าที่มันยังติดคาอยู่โดยไม่จมหายไปทั้งตัวก็เพราะข้างล่างบริเวณนั้นมันอาจจะมีหินดานหรือพื้นแข็งซึ่งช่วยมันไม่จมลึกไปกว่านั้นมันมีได้สองในยะคือเจ้าด้วนถูกผลักใสโดยช้างที่มีจํานวนมากกว่ากลุ่มรุมรตัวมันเองวิ่งหนีลงไปสภาพของมันในขณะนี้ก็คือรอความตายถ้าพวกเราไม่มาพบสักก่อนเพราะมันช่วยตัวเองไม่ได้อีกเลยเคลื่อนไหวไปไหนก็ไม่ได้ ซึ่งนั่นน่ะเป็นแผนของมันไรที่จะหาทางขจัดเจ้าด้วนออกไปซะจากคณะเราซึ่งแม้จะไม่สามารถใช้ช้างบริวารข่าเจ้าด้วนโดยตรงได้ก็จัดการเก็บเจ้าด้วนไว้ในบ่อโครนมรณะนี่สัก่อนนี่ก็เป็นข้อเฉลยปัญหาวะ่ะเจ้าด้วนน่ะมันหายไปไหนทั้งคืนแต่อีกวันเต็มๆจนกระทั่งเรามาพบอย่างที่เห็นอยู่นี่ บริเวณนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่น้ําป่าคงไม่ได้พัดขึ้นมาถึงไม่ใช่เหรอเชี่ถาถามโดยเร็วครับมันเป็นโคกสูงขึ้นมามากครับน้ำป่าเมื่อคืนนพัดท่วมมาไม่ถึงครับเธอกล่าว่ากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยที่เจ้าด้วนมาจมปลักขยับตัวไม่ได้แบบเนี้ยอนุชาหันไปหารือกันหนันอินและขยิ่นเบาๆแล้วหันมาบอกพี่ชายว่าก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบชั่วโมงแล้วละครับ โอ้ถ้างั้นมันก็คงหิวมากทีเดียวโธ่จะดวนเอ้ยเองก็เคราะห์จริงๆนึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็มาจมปลักอยู่นี่เองอ่ะทำใจดีๆไว้ไอ้ลูกชายพวกเรากำลังหาทางช่วยเหลือเองอยู่ทำใจดีๆไว้ช้ ย, ยันร้องบอกลงไปอย่างเวทนาจับใจเจ้าหัวขนานนี้หยุดเสียงร้องหรือทำเสียงใดๆแล้วมันดูเหมือนจะรู้ว่ากลุ่ ม, มนุ์อันเป็นมิตรหรือเจ้านายของมัน ได้มารู้เห็นสภาพและเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมันอยู่แล้วพยายามช่วยกันดูซิว่ามันมีบาดแผลชะกันอะไรบ้างไหมท่านหัวหน้าคณะบอกมาอย่างเป็นห่วงยิ่งพยายามจ้องไปที่ตัวอันใหญ่โตซึ่งจมอยู่ในปลักนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างออกไปมากนะักเสียงนั้นอินบอกมาว่ายังมองเห็นไม่ชัดตอนนี้รกไหนใหญ่ เพราะโครนคลุมตัวมันเต็มไปหมดแต่มองไม่เห็นรอยเลือดตรงที่มันยืนอยู่เลยก็เชี่วมันคงไม่เป็นอะไรมากอะนอกจากจะถลําลงไปที่ปลักโครนเท่านั้นไอ้ด้วนอะมันช่างนักสู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล้าพังตัวต่อตัวหรือแค่สองตัวหนึ่งนะทําอะไรมันไม่ได้หรอกนายนี่ไอ้พวกนั้นมันรุมตั้งเจ็ดแปตัวถึงได้ผลักมันลงไปจมอยู่นั่นเราหาทางช่วยมันก่อนเถะนาย ตอนนี้นะ่ะมันกำลังหิวเต็มทีแล้วถ้างั้นจะเชะรอชาอยู่ทำไมอ่ะจัดการเดี๋ยวนี้ทีกลางพี่ชายใหญ่ออกคําสั่งเร็วปือเอั น, นี้แบ่งเป็นสองพวกนะพวกหนึ่งก็ไปตัดพันใบไม้ใบหญ้าที่พอจะให้มันกินเป็นอาหารประทะปะทางหิวไปก่อนเดียอีกพวกหนึ่งก็ไปช่วยกันสำรวจรอบบริเวณบ่อโครนนี่มันมีบริเวณกินแดนที่แน่นอนไปถึงส่วนไหนยังไงมั่ง จะได้หาทางวางแผนกู้มันขึ้นมาจากบ่อโครนี้ได้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเอามันขึ้นไม้ได้ก่อนตะวันตกดินวันนี้อนุชาและหนานอินปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเสียงร้องตะโกนสั่งการเอะอะลั่นไปหมดทั้งป่าบริเวณนั้นลูกหาบทั้งสิบคนรวมทั้งขยิมและอนุชาเคลื่อนไหวกันอย่างฉับพลันแทงกัเวลาขมีก็แต่เชิฐาและชัยยันเท่านั้นที่ยืนเฝ้าดูเจ้าด้วนอยู่ นี่บารมีคุ้มครองของหลวงพ่อทั่วแท้ๆนะที่ทำให้ไอ้ช้างผีลงพวกนั้นฆนะ่ามันไม่ได้และถึงแม้จะถูกดันลงไปในบอ่อโครนก็ยังไม่ถึงกับจมหมดทั้งตัวยังมีชีวิตรออยู่จนกระทั่งพวกเราตามมาพบได้ชายันเอ่ยขึ้นเชทดายิ้มขรึมๆใช่บารมีของหลวงพ่อนะช่วยมันไว้อย่างแน่นอนนะฉันแน่ใจวันนีนะ่เป็นบอ่อโครนดูดแน่ แต่บังเออเนะี่ะบริเวณที่มันถล่มลงไปมีหินดานอยู่ข้างใต้คอยรับน้ําหนักตัวมันไว้ทําให้นั้นมันติดคาอยู่แค่นั้นพอยังได้หายใจได้อยู่ถ้าผิดมุมผิดทิศทางแค่นิดเดียวป่านนี้มันคงจมลงไปมิดตัวแล้วก็ตายไปแล้วโดยเราจะไม่มีโอกาสได้รู้สาเหตุเลยว่ามันหายไปไหนอ่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นคิดได้แล้วว่าเราจะลากตัวมันขึ้นมาจากบ่อคลุนนี้ได้ยังไง ล้ำพังพวกเราที่มากันสิบห้าคนนี่ต่อให้ออกแรงกันจนขี้แตกก็ไม่มีทางจะกฉุดเจ้าด้วนขึ้นมาได้หรอกน้ำหนักตัวเจ้าด้วนอย่างน้อยก็ห้าหกตันไม่ยังต่ำและมันก็ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นที่ราดแต่จมอยู่ในโคลนดูดก็เท่ากับเพิ่มน้ำหนักตัวที่จะให้เราใช้แรงฉุดดึงกันขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็เท่าตัวอดีตนายทหารปืนใหญ่นักวางแผนเอามือขยี้ริมฝีปากแล้วมองไปรอบๆ บ, บริเวณ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้หัวเสียนาธิการก่อนมันเป็นเรื่องยากนะแต่ก็ไม่เกินเลยกำลังสมองเราไปได้หรอกต้องช่วยกันคิดช่วยกันทุกๆคนไม่ใช่แค่ฉันวางแผนคนเดียวบัดนี้สเสบียงสำหรับประทังชีพของเจ้าด่วนซึ่งติดคาอยู่ในบอน่อคลุนมาเป็นเวลานานกว่า20ชั่วโมงทยอยมาถึงแล้วโดยพวกลูกหาบที่ไปตัด เอากิ่งใบไม้ที่พอจะอาศัยเป็นอาหารช้างได้พยายามลุยโคลนเข้าไปอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ตัวเองถูกดูดจมลงไปด้วยแล้วโยนพืชเหล่านั้นเข้าไปให้ความจริงระยะที่มันติดคาอยู่ก็ไม่ได้ห่างจากฝั่งเท่าใดนักใบไม้ฟ่อนหญ้าต้นกล้วยเครือเถาแล้วก็งวงของเถาวันนา้าก็เคลือลูกตา่าเท่าที่จะแสวงหามาได้ ถูกโยนสุมลงไปในระยะที่ปลายงวงของเจ้าด้วนจะคว้าได้ถึงเจ้าคดชสารใหญ่ผู้เสียท่าอิทธิฤทธิเล่กลของมันไรแต่ก็ยังไม่ถึงชะตาขาดรีบเอางวงคว้าเข้าปาดเคี้ยวทันทีด้วยความหิวโหวยมันส่งเสียงร้องแอยาวออกมาอีกครั้งหนึง่งอย่างดีใจและเหมือนจะเป็นการขอบใจเพื่อนมนุษย์ที่มาให้การช่วยเหลือมันทันการถูกล้ ขณะ น, นี้ก่อนอื่นใดทั้งมวลมันต้องการอาหารประทังชีพก่อนเพราะหิวโหยมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงอีกพวกหนึง่งตัดไม้ย า, ยาวๆเหมือนไม้ถอพยายามตรวจรอบๆ บ, บริเวณปลักโครนแล้วกวาดใบไม้บริเวณที่ปกคลุมอยู่รอบๆ อ, ออกไปเพื่อให้กำหนดเห็นชัดว่าลักษณะบอ่อโครนนั้นมีรูปร่างอย่างไรระดับโคนลึก ขนาดไหนบางแห่งที่พวกนั้นปักไม้อย่างลงไปปรากฏว่าไม้ยาวสีหา้าวายัางจมหายลงไปหมดเสียงร้องบอกรายงานกันโวกเวกไปหมดขยินแสดงความสามารถเฉพาะตัวของมันอีกครั้งวางปืนลงกับพื้นและตัวมันเองก็ลงนอนราบกับพื้นโคลนเหลวๆนั้นกระเดือกตัวใสเลื้อยไปเหมือนงูอาการชนิดนั้นของมันทุกคนเคยตระหนักดีมาแล้ว ว่าขยินจะไม่มีวันที่ถูกโคลนจมลงไปได้มีไม้ยาวอันหนึ่งประมาณสามวาติดมือลงไปด้วยทุกคนจ้องมองเป็นตาเดียวช่วงไม่นานของการเลือ้อยตัวเข้าไปของขยินเจ้าอาดีตนักเลงโตลมช้างก็ถึงหลังเจ้าหางด้วนซึ่งเคยเป็นคู่อริเก่าอันเคยด่าพ่อล่อแม่และไล่กวดกันมาบ้างแล้วพอหอมปากหอมคอมันปีนขึ้นไปยืนอยู่บนหลังเจ้าดวน ช่วยเขี่ยพืชที่พวกลูกหาบโยนมาให้แล้วตกอยู่ห่างๆให้เข้ามาถึงรัศสมีที่งวงของคคชสารใหญ่จะเอื้อมถึงได้เสียงมันพูดอะไรกับเจ้าด้วนเป็นภาษากะเรียงโวกเวกหัวรอไปพลางเจ้าด้วนก็นิ่งเฉยคงเอางวงควา้าอาหารใส่ปาเคี้ยวอยู่เช่นนั้นโดยไม่สนใจอะไรด้วยขยิงใช้ไม้ยาวอ น, นันทิ่มลงไปกับพื้นโคลนอย่างลึกลงไป แล้วก็สะดุดกึกไม่สามารถจะแย่ลงไปได้อีกจุดที่ไม้ปักลงไปแล้วติดอยู่แค่นั้นโดยไม่อาจลึกลงไปกว่านั้นได้เป็นบริเวณแวดล้อมรอบตัวเจ้าด้วนทั้งหมดขนาดนี้นายโชคดีจริงๆที่ด้วนติดปักอยู่เนี่ยมีหินดานอยู่ข้างใต้จริงๆแหละไม่งั้นป่านนี้มันจมมิดหัวไปแล้วล่ะนายเสียงขยินตะโกนบอกขึ้นมาอย่างยินดี อนุชากนันอินช่วยแปลความให้เชื่อและชัยยันได้เข้าใจชัดๆอีกครั้งเพราะเกรงว่าจะไม่เข้าใจได้ดีในคําบอกนั้นเอาสั่งให้มันสํารวจพื้นด้านล่างต่อไปเฉพาะทางด้านหน้าของเจ้าด้วนว่าเป็นพื้นแข็งตลอดไปหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนไหนที่จะดูดลึกลงไปได้อีกเอาเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะท่านหัวหน้าคณะสั่งไปทางอนุชาซึ่งก็ถ่ายทอดให้ขยินรู้เรื่องอีกทอดหนึง่ง เจ้ากระเรียงร่างยักษ์ผู้เคยร่วมเป็นร่วมตายมาในอดีตในฐานะผู้กล้าหาญไม่ด้อยไปกว่าใครถไหลตัวปราดไปทางด้านที่เจ้าด้วนหันหน้าไปทันทีหันมาร้องบอกอดีตคู่อริเก่าของมันว่านี่แล้วอย่าเสือกเอางวงจับขาจับข้ากดโครนหรือจับข้าใส่ปากเคี้ยวสิละเอ็งจะตายหายอยู่ในโบกคลนเนี่ยรู้เปล่าในขณะที่ภาวะกําลังชุลมุนและเครียดอยู่ขณะนี้ ยังไงทุกคนก็ยังอดยิ้มไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงขยินซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าด้วนช้างใหญ่ไม่โง่พอที่จะทำอะไรบ้าๆอย่างที่ขยินร้องบอกหรอกมันคงกินอาหารของมันอย่างหิวโซเช่นนั้นถ้าเป็นเวลาธรรมดาขยินอาจจะถูกปลายจะงอยง่วงฉกกระบาลให้สักโต๊ข้าที่ปากเสียอดีตนายบ้านหลมช้างเลื้อยไปด้านหน้าของช้างตกปลก ที่ไม้ย่างไปเรื่อยๆเชฐาชยันอนุชาและหนานอินบัดนี้เดินอ้อมมาอยู่ทางด้านหน้าของเจ้าด้วนแล้วขณะที่ทั้งสามย่าโคลนลงไปถึงแค่ข้อเท้ามีระยะห่างจากปลายงวงของเจ้าด้วนที่จะยื่นมาเพียงแค่สี่วาหรือเจเมตรเท่านั้นพักใหญ่ ที่ขยินย่างปลายไม้ลงไปทุกระยะจนกระทั่งเลื้อยมาถึงตำแหน่งที่เจ้านายยืนคอยอยู่มันก็พยุงกายขึ้นยืนเจ้านายครับข้างใต้ทางด้านหน้าของไอ้ด้วนเป็นหินดานหรือไม่ก็เป็นพื้นแข็งตลอดแล้วก็ตื้นขึ้นมาเรื่อยๆพารากมันจัดตรงที่มันติดลมอยู่ข้ามาชิดฝั่งแค่สองสามวาเท่านั้นขยินว่ามันจะก้าวขึ้นมาได้เองลครับ เองแน่ใจนะว่าพื้นข้างล่างทั้งด้านหน้าของไอ้ด่วนมันไม่เป็นบ่อโคลนที่ลึกลงไปอีกนานอินถามซ้าจ้องหน้าเชื่อมือขยินนาะลุงตรงที่มันลึกในะแยไม้ไม่ถึงก้นมันอยู่ตรงนู้นขยินบอกพร้อมกับชี้ปลายไม้ไปยังบริเวณอันเป็นส่วนที่กว้างที่สุดซี่ขวามือของเจ้าด่วนที่ยืนอยู่ในขณะ น, นี้ออกไป ดังนั้นก็โชคดีมากแล้วครับที่เจ้าด้วนมาติดปลักอยู่ตรงบริเวณริมริ ม, รมบอ่อโคลนแล้วก็ยังมีหินดานแข็งรองรับตัวมันไว้ไม่ให้จมลงไปกว่านี้อนุชาป้ายเหงือบนหน้าแผกบอกมาเบาๆอย่างมีความหวังมากขึ้นเชษฐาเหลือบดูนาฬิกาข้อมือซึ่งชี้บอกเวลาเย็นย่ำลงไปทุกขณะลกคราบนี้เราเอาอยัางไงกันดี เราช่วยมันขั้นแรกโดยการให้อาหารมันได้ก่อนแล้วอนุชา ย, ยังไม่ตอบในขณะนั้นแต่นันอินบอกเรีย บ, ยบว่าเจ้านายโบราณน่ะเขาเปรียบเทียบว่าเอาช้างมาฉุดก็ไม่ไหวแต่นี่เราเป็นคนมีกันอยู่แค่สิบห้าคนเรากําลังจะฉุดช้างนายคิดว่าจะไหวหรอแล้วลถ้ามันลอยอยู่ในน้ำ แล้วเราชุดกันสิห้าคนก็ยังพอจะไหวหรอกแต่นี่มันจมปลักโครนน่ะนายเออช่วยกันคิดเราจะต้องหาเครื่องผ่อนแรงอะไรสักอย่างไอ้ลำพังกำลังพวกเราสิบห้าคนทำไม่ไหวแน่เชษ่ถาว่าแล้วควักซิก้าออกจุดสูบตัวแรกดวงตาของอดีตท่านทูตทหารบกผู้เป็นเสนาธิการใหญ่ของคณะรี่ลง นับร้อยนับพันปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าเขาเคยแก้ไขได้สำเร็จลุล่วงไปทุกครั้งแต่มาครั้งนี้ยังมองไม่เห็นเขาเลยออกจะหนักใจอยู่ครามครันนั้นอินลงนั่งยองยองเอาเกิ่งไม้เล็กๆเขี่ยดินอย่างปราศจากความหมายตัวแกก็กําลังคิดหนักอยู่เช่นกันขณะนั้นเจ้าด้วนซึ่งกินกิ่งไม้ใบหญ้าเข้าไปพอประทังทอง ที่ร้องอยู่โครงโคลงพอรอดตายได้แล้วก็ชูงวงร้องปรันขึ้นมาอีกชายันก็หัวเราะตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิว้ยให้เวลาพวกข้าคิดหน่อยก็โทรพอแดกอิ่มจะให้อุ้มเองขึ้นมาเลยหรือไงพวกข้านะ่ะเอะเบอแดกเองไหวซิเมื่อไหร่เล่าดีไม่ดีก็จมโคลงกันตายหาหมดหรอก ทุกคนอดหัวเราะออกมาไม่ได้ในคำพูดของชัยยันเจ้าด้วนเองตอนนี้ก็สงบสงเงีน่เตรียมตัวดีมันน่าจะซัดโครนเข้ามาใส่ชัยยันแล้วตามภาษาช้างแสนรู้อย่างมันแต่มันก็ไม่งโง่พอที่จะทำอย่างนิสัยที่เคยเกะกะเกะเรของมันดั่งเดิมคงง่วนในการคว้าต้นกล้วยที่พวกนั้นตัดเป็นท่อนๆโยนส่งไปให้ใส่เคี้ยวปากกลุมกลมต่อไป ดูจะหมดความทะลึ่งลงไปแยะสิงชัยยันตะโกนถามลงมาอีกบอกให้อยู่ใกล้ๆ ก, กันตอนที่พักมาเย็นวานี่เสือทะลึ่งเที่ยวไปคนเดียวนี่ไปเสียท่าช้างของไอ้มันไกลก็ยังไงอะเนี่ยไม่ถูกมันรุมแทงตายหรือไม่ถูกโคลน ด, ดูดจ ม, มิดหัวก็นับว่าบุญแล้วนี่ๆ น, นี่หุบ ป, ปากสะทีเยยันไปด่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก พบไอ้ด้วนมันยังมีชีวิตยอยู่แบบนี้ความหวังในการติดตามน้อยก็มีมาตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วถ้าเราเอามันขึ้นมาได้สำเร็จเมื่อไหร่มันจะนำทางเราไปพบน้อยได้อย่างแน่นอนเชื่อเถอะเชิดถาบอกเบาๆกำลังใจของเขาบัดนี้เริ่มดีขึ้นแล้วทุกคนมีความเห็นเช่นเดียวกับเขาทั้งหมดมันย่อมเป็นของแน่แท้ในการติดตามดารินในครั้งนี้ดีย๋ยว่าแต่นั้นอินหรออดีตพรานชด ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญชำนาญป่าแล้วก็ตามเธอะไม่มีวันจะทำได้ดีไปกว่าสัญชาตญาณของช้างป่าอย่างไอ้ด้วนไปได้มันจะต้องนำทางไปได้อย่างชนิดตรงเป้าหมายเพงทีละสิ่งที่ยังพออุ่นใจของทุกยามนี้ได้ก็คือได้มาพบเจ้าด้วนที่หายสาบสูญไปแล้วพบว่ามันยังไม่ตายและช่วยเหลือมันในด้านอาหารประทังไว้ก่อน ตลอดจนแน่ใจว่าจะยังไงซะก็ยังมีเวลาที่จะคิดค้นใคร่ครวญว่าจะเอามันขึ้นมาได้โดย ว, วิธีใดโดยไม่ต้องเกรงว่ามันจะจมหายลงไปใต้บอ่อโคลนนั่นซะก่อนเนื่องจากสำรวจแล้วว่ามีพื้นแข็งหรือหินดานรับน้ำหนักตัวของมันไว้ก่อนแล้วไม่ให้จมลึกลงไปกว่านั้นไงๆเราก็ต้องเอามันขึ้นมาให้ได้ก่อนตะวันตกดิน ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละท่านหัวหน้าคณะเอ่ยย้ำกับทุกคนอนุชาสั่งการให้พวกลูกหาบไปลำเลียงสัมภาระเข้าของที่วางกองไว้อย่างช่องทางข้างล่างขึ้นมาสักก่อนเพราะจะยังไงซะไม่ว่าจะหาทางเอาตัวเจ้าด้วนขึ้นมาจากบอกโคลนได้หรือไม่ภายในก่อนมืดวันนี้ทุกคนก็ต้องพักอยู่ยังตำแหน่งนี้แน่นอน แล้ท่านหัวหน้าคณะผู้สุ ข, ขุมและรอบคอบที่สุดซึ่งดูเหมือนจะสังเกตหมายตาอะไรสักอย่างนึงไว้ก่อนแล้วก็ลุกขึ้นจากโขนไม้ผูกผูกที่นั่งอยู่สะกิดน้องชายกับเพื่อนให้เดินห่างคณะทั้งหมดออกมายังจุดที่เขาเดินนําคนทั้งสองไปจุดนั้นคือต้นสยาใหญ่ต้นหนึ่งขนาดเส้นพาสูงกลางลําต้นประมาณสมฟุตยืนต้นในสภาพเอง็งเฉียง เกือบ45องศาไปยังช่องในด้านต่ำที่ไต่กันขึ้นมาและสยายต้นนั้นก็อยู่ในทิศทางด้านหน้าของเจ้าด้วนซึ่งยืนแช่ปลักอยู่ในมุมเกือบตรงห่างออกไปไม่เกินประมาณ 7-8 วาหนื่อไปถึงที่โคนต้นไม้เองต้นนั้นเชษฐาก็หันกลับมากะคำนวณทิศทางกับด้านสีษะของเจ้าด้วนอีกครั้ง เล็งด้วยสายตาว่ามันเกือบจะเป็นเส้นตรง90องศาอนุชาและชัยยันยังไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเดินตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ด้วยอย่างงงงงพี่ใหญ่มีความคิดยังไงเหรอครับอนุชาถามขึ้นเบาๆเชิดาเอาฝ่ามือที่สวมถุงหนังตบลงไปยังโคนต้นสยาอันเอ็นเป็นมุม45องศานั้น ไปยังร่องทางของป่าหินเบื้องหน้าที่ปีนกันขึ้นมาสายตาก็แลสูงขึ้นไปยังลำต้นที่สูงชะลูดไม่ต่ำกว่าส2สองถึงสิบสาเมตรนั้นอลองคำนวณดูสิว่าสยาต้นนี้จากโคนไปถึงยอดของมันหนักสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันเอ็นล้มลงไปทางด้านโน้นมันจะมีพลังฉุดดึงสักเท่าไหร่ เขาเอ่ยขึ้นเสียงขรึมๆบุยปากไปทางป่าของฝั่งตรงข้ามชัยันกับอนุชาก็ลืมตาโพลงขึ้นในบัตรนั้นตามทันในสิ่งที่กําหนดอยู่ในสมองของวีชายใหญ่ของคณะทันทีต่างมองดูหน้ากันเองและสำรวจดูทิศทางด้านที่เจ้าด้วนติดลมอยู่อันห่างออกไปไม่หะไม่มากนักกับแนวต้นไม้ที่ยืนต้นทำมุมเอ็อยู่ นี่พี่ใหญ่หมายถึงว่าอืมใช่ใช่ใชอดีต ท, ท่านหัวหน้าทูดทหารก้มหัวลงเราจะทำให้ต้นสยาต้นนี้โค่นล้มฟาดไปทางด้านโน้นซึ่งแนวโน้มมันก็มีอยู่ก่อนนะเพราะส่วนใหญ่ของมันน่ะเองไปทางด้านโน้นอยู่แล้วจะช่วยเรากำหนดทิศ ท, ทางการล้มของมันได้ง่ายข้าบแล้วถ้ามันล้มลง นั่นก็คือพลังงานที่จะใช้ฉุดดึงเจ้าด้วนขึ้นมาจากปลักได้โดยพวกเราไม่ต้องออกแรงใดๆทั้งสิ้นเพราะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทั้งสองคนมีความเห็นยังไงเดี๋ยวๆดี๋ยเดี๋ยวดียวดียวดียวดยวชยันร้องเร็วปรือเม้มปากเกือบเป็นเส้นตรงสำรวจต้นไม้และบริเวณแวดล้อมอย่างทีท้วนอีกครั้งในขณะที่อนุชาก็เริ่มคำนวณระยะที่แน่นอนระหว่างตัวของเจ้าด่วน กะลำต้นไม้ต้นนั้นเสียงชัยยันเอ่ยโดยเร็วต่อมาว่านี่แกหมายถึงว่าเราจะใช้เชือกผูกตัวเจ้าด้วนโยงมาติดกับสยาต้นนี้และทำให้สยะเอ็นล้มลงโดยอาศัยความหนักของลำต้นขณะที่มันเอนลม้มเป็นการฉุดลากเอาเจ้าด้วนขึ้นมาจากลมยังงั้นใช่ไหมเออหรือแกคิดว่าจะมีวิธีอื่นใดที่เราจะทาได้ดีกว่านี้วะ หัง่งั้นก็ต้องพิจารณาถึงปัญหาสองสามข้อที่จะตามมาให้ดีนะข้อที่หนึ่งเรามีเชือกขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงพอที่จะมัดตัวไปถึงเจ้าด้วนได้พอไหมแล้วก็ยาวถึงไหมโดยไม่ขาดซะก่อนขณะที่มันถูกชุดชักขึ้นมาระหว่างต้นไม้ล้มข้อที่สองเมื่อสยยต้นนี้ล้มซึ่งเราพอจะกำหนดให้มันล้มไปทางฝั่งตรงข้ามได้ มันก็จะเป็นการล้มฟาดลงไปอย่างแรงที่สุดแล้วก็ใช้พลังมากที่สุดการฉุดดึงตามสภาพการล้มของมันจะไม่มีการยืดหยุ่นหรือผ่อนแรงให้เลยผิดกาการดึงของคนหรือเครื่องปั้นจันทร์ที่เราพอจะบังคับค่อยๆดึงได้การล้มอันเป็นการช่วยกระชากโดยแรงในขณะที่มีเชือกตกิดอยู่กับเจ้าด้วนด้วยโดยหลักการแล้ว มันก็จะน่าจะดึงเจ้าด้วนขึ้นมาจากปลักเลนได้แน่นอนแต่แรงดึงนะั้มันอาจจะกระชากจนกระทั่งกระดู ก, กระเดี่ยวร่างกายของมันหักพิการหรือถึงกับชีวิตแทนที่จะเป็นการช่วยชีวิตก็จะกลายเป็นการฆ่าส่งไปเลยครับครับผมก็กําลังคิดอย่างเดียวกับชา ย, ยันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอเดียของพี่ใหญ่น่าพิจารณาที่สุดผมคิดไม่ถึงมาก่อนเลยเพราะครั้งแรก ยังไม่ทันหันมาสังเกตที่สยามเอ็นตน้นนี้อนุชาสเสริมาอีกคนหนึ่งแต่จะยังไงก็ตามจากความมืดมิดแปดด้านทั้งอนุชาและชยันเพิ่งจะมองเห็นทางรำไรขึ้นบ้างแล้วตามแนวความคิดของท่านหัวหน้าคณะเชิดถายิ้มออกมานิดนึงอย่างมั่นใจชี้ไปยังยอดป่าของฝั่งตรงข้ามอันมียอดไม้ใหญ่ขึ้นทึบ เสียดยอดแซงกันอยู่ถ้างั้นเราก็พิจารณากันถึงปัญหาที่สองก่อนแล้วกันในข้อที่ว่าถ้าสยาต้นนี้ฟาดลงโดยแรงจะด้วนจะถูกกระชากขึ้นมาแรงเช่นกันอันจะทำให้มันได้รับอันตรายได้ข้อนี้เชื่อว่าคงไม่เกิดขึ้นดูไปที่ยอดป่าของไม้ใหญ่ด้านตรงข้ามนั่นสิ มันจะเป็นเครื่องชะลอผ่อนแรงล้มฟาดของสยาต้นนี้ไม่ให้มันล้มฟาดลงไปโดยเร็วหรือแรงเกินไปนักแล้วก็เชื่อแน่ว่าไม่ล้มลงไปในระดับราบหรกแต่ยอดและลำต้นส่วนบนของมันจะต้องติดคาค้างพาดพิงอยู่กับยอดไม้ของฝั่งตรงข้ามในมุมที่ต่ำลงไปกว่าระดับเดิมของมันไม่เกินสามสิบหรือยี่สองศาเป็นอย่างมากจากระดับพื้นด้านโน้น ซึ่งโดยลักษณะนี้จะเท่ากับเป็นการฉุดลากขึ้นมาอย่างช้าๆไม่กระชากรุนแรงเกินไปนักอันตรายของเจ้าด้วนที่เรากลัวก็คงจะไม่เกิดขึ้นจากการล้มไปเอนพิงยอดป่าฝั่งตรงข้ามตามที่คำนวณไวน้นี้ทีนี้ก็มาถึงปัญหาข้อแรกเชือกในลอนสำหรับไต่เขาและกว้านสัมภาระของเราทั้งหมดหลายเส้น มีขนาดใหญ่เท่าหัวแม่เท้าถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะเหนียวแน่นพอก็ทบมันเข้าไปเป็นสองทบในลักษณะควันเกลียวก็เชื่อว่ามันเหนียวพอที่จะอาศัยฉุดดึงเจ้าด้วนขึ้นมาได้โดยไม่ขาดซะก่อนปัญหาก็เลยเหลืออยู่อย่างเดียวว่าเชือกที่เรามีอยู่ทั้งหมดมันจะยาวพอหรือไม่เท่านั้นหรือทําไม่พอทำไมกลางถึงไม่เรียกนั้นอินกัคยินก็มาหารือล่ะ เราอาจจะใช้ถา่วันขนาดใหญ่หรือไหว้เหนียวๆ เ, เข้ามาช่วยเพิ่มเติมก็ได้ระหว่างที่ชัยยันยังกับพริบตางงๆใช้ความคิดอยู่อนุชารวดเร็วทันตารเสมอเขาชูมือขึ้นดีดนิ้วโดยแรงพอแค่ยินก็ครูพรานหนานอินหันมาก็กวักมือเรียกทันทีทั้งสองตรงเข้ามาหาอดีตพรานชดอธิบายคร่าวๆโดยเร็ว ให้ทั้งสองพอจะทราบเราเราว่าวิธีการจะช่วยฉุดดึงเจ้าด้วนขึ้นมาจากปลักนั้นจะต้องใช้วิธีใดทั้งสองตาลุกมองเห็นความหวังขึ้นในทันทีก็แปลว่าเราจะต้องโค่นต้นไม้นี่ให้ล้มไปทางโน้นเหรอนายขยินร้องขึ้นเบาๆเราจะไม่มาเสียเวลาโค่นหรอกขยินแต่เราจะใช้ระเบิดช่วยขนาดเบาๆนะ่ะครึ่เดียวเท่านั้น่ะ ต้นไม้ต้นนี้ก็หักล้มไปทางโน้นนะไอ้สาคัญก็เรื่องเชือกที่จะเอาไปมัดตัวเจ้าด้วนเท่านั้นแหละไงไงก็ต้องระวังอย่าให้เชือกขาดซะก่อนขณะที่ต้นไม้ล้มฉุดดึงขึ้นบริเวณที่จะเอาเชือกไปมัดตัวไอ้ด้วนก็อย่าให้มันบาดเนื้อเวหวะเป็นอันตรายตอนเชือกถูกกระชากเนะ่ฉันคิดว่าไม่ควรจะใช้คล้องคอมันเพรดีไม่ดีคอมันอาจจะหักได้ ขยินถูมือเขาหากันและบอกว่าเรื่องนี้ขยินกับลุงอินไรพวกที่เหลือทั้งหมดนี่จะจัดการเองในกลางในกลางในใหญ่แล้วก็นายทหารก็จัดการให้ต้นไม้ล้มไปทางโน้นแล้วกันแน่ใจนะว่าเชือกของเรามีพอแล้วก็เหนียวแน่นพอด้วยอนุชาหันไปขอความมั่นใจกับครูพรานคู่ใจเขาอีกครั้งโอ้ยสบายมากนายชด ถึงไม่พอประเดี๋ยวนั้นอินกับขยินจะไปตัดหวายเส้นใหญ่ๆมาทําเป็นบูมคลองที่โคนต้นไม้เชก่อนชั้นหนึ่งยืดระยะมันออกไปเชือกขนาดใหญ่ของเราก็ใช้ควันเป็นสองทบมัดแต่โคนขาหน้าของมันทั้งสองข้างก็พอก่อนมัดก็เอากระสอบพันโคนขาแทนปลอกไวอีกทีหนึ่งานายทหารจะใช้ระเบิดใช่ไมละ่ะประโยคหลังแกหันมาถามชัยยัน ถูกต้องเราจะใช้ระเบิดงัดโคนไม้ที่เอ็นหมิ่นหมิ่นอยู่ก่อนเนี่ยขึ้นมาระยะมันห่างกันไม่มากนะนายทหารระหว่างโคนไม้กับตัวไอ้ด่วนในปลักโคลนนั่นพอร ะ, ระเบิดตูมต้นไม้ลม้มนายทหารคิดว่าไอ้ด่วนจะทนอยู่ไหวหรือตับไตไส้พุงมันคงจะแตกตายซะด้วยระเบิดก่อนแล้วมัง้งนั้นอินแม่จะไม่สันทัดอะไรเลยในเรื่องระเบิด แต่แกก็รอบข้อพอใช้ใช้ยันสันศีรษะตบไล่แกแล้วบอกมาอย่างมั่นใจว่าน่าเชื่อมือฉันเถอะลุงฉันรู้ดีว่าจะใช้ปริมาณของระเบิดขนาดไหนจึงจะทำให้ต้นไม้ล้มแต่อำนาจระเบิดจะไม่เป็นอันตรายไปถึงไอ้ด้วนหรือพวกเราที่หลบกันอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไกลกันรับรองนะว่าโดยเสียงน่ะมันจะไม่ดังมากนักด้วย เพราะเราจะใช้ดินระเบิดจำนวนไม่มากนักและต้นไม้ต้นนี้ก็โค่นแล้วเอาเอาถ้างั้นหนานอินไกขยินจะลงมือเดี๋ยวนี้เลยพรานใหญ่ตัดสินใจได้รวดเร็วพอกันแกเริ่มร้องตะโกนสั่งความไปยังลูกหาบเสียงลงเลงลงเลง